ธรรมที่ผู้ปฏิบัติผู้ที่มีความปรารถนาอันแรงกล้าต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงควรจะมีอยู่ในใจเสมอก็คือความภาคเพียรความยินดีในการที่จ ะ, จะเจริญธรรมต่างๆ ที่เป็นเหตุที่จะทำให้หลุดพ้นได้ต้องมีความรักในการทำความเพียรชอบทำความเพียรคิดอยู่กับการทำความเพียรอยู่เสมอในทุกอิยาบทตั้งแต่เตินขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไป โดยให้ยึดคติธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่าหลุดพ้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรความเพียรนี้เป็นตัวที่จะผลักดันผู้ให้ผู้ปฏิบัติได้เจริญก้าวหน้าในธรรมต่างๆถ้าขาดความเพียรแล้ว ทมต่างๆเช่นสติปัญญาจะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้ต้องมีความเพียรเป็นผู้ผลักดันผลักดันให้เจริญสติให้ควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปในทางกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆ ให้คิดไปในทางธรรมเช่นให้เจริญมรณาโนสติอยู่เรื่อยๆการระลึกถึงความตายนี้เป็นการเจริญสติเหมือนกับการเจริญพุทธานุสติคือคำการบริกรรมพุทโธพุทโธแต่การเจริญมรณานุสตินี้ เป็นประโยชน์สองส่วนเป็นการเจริญสติและเป็นการเจริญปัญญาควบคู่ไปด้วยการเจริญพุทธานุสตินี้เป็นการเจริญสติเพียงอย่างเดียวไม่ได้ปัญญาแต่ถ้าเจริญมรณานุสติแลเลกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ จะได้ทั้งสติและจะได้ทั้งปัญญาถ้าถูกเจริญผู้ที่จเจริญมนานุสสตินี้ก็จะสามารถก้าวหน้าในธรรมได้อย่างรวดเร็วเพราะเมื่อมีสติก็จะทำให้ใจสงบนิ่งเป็นอุเบกขาได้แล้วเมื่อเกิด กิเตันหาความรักตัวกลัวตายเกิดขึ้นมาก็จะมีปัญญาคือความตายนี้มาระงับดับความรักตัวกลัวตายได้ทําให้ใจไม่ต้องทุกข์กับความตายเพราะมีปัญญาที่เห็นว่าร่างกายนี้เมื่อเกิดมาแล้ว ย่อมมีความตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้การที่จะทำให้ได้ผลในการดับความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวตายความรักตัวกลัวตายได้ก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามที่จ ะ, จะเจริญ ม, มรณาสติอยู่เรื่อย การเจริญมานานุสตินี้ก็เจริญได้ทั้งกับร่างกายของเราและร่างกายของผู้อื่นโดยเฉพาะร่างกายของคนที่เรามีความผูกพันด้วยมีความรักมีความห่วงใยถ้าเราหมั่นเจริญมานานุสติอยู่เรื่อยๆเราก็จะเห็นว่า ความห่วงใยของเรานี้ไม่เป็นประโยชน์แต่อย่างใดไม่เป็นผลแต่อย่างใดเป็นแต่โทษกับเราเองเพราะทําให้เรานั้นทุกข์ไ ป, ปเปล่าๆเพราะคนเราทุกคนนั้นย่อมมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการ จเจริญมนานะนสติจะทำให้เราหายวิตกหายกังวลหายห่วงใยในชีวิตของทุกทุกคนได้ทั้งของเราและทั้งของผู้อื่นเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามีเกิดแล้วย่อมมีตายเป็นธรรมดาธรรมดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ทมเหล่านั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดานี่จะเป็นสิ่งที่จะปรากฏขึ้นมาในใจถ้ามันจเจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆการจ ะ, จะเจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆได้ก็ต้องอาศัยความภาคเพียร น, นี้เองพยายามภาคเพียรพิจารณาพยายามจเจริญสติ ระลึกถึงความตายอยู่อย่างสม่ำเสมอเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนพระอานุ์ตอนต้นพระ อ, องค์ทรงถามพระอนุนว่าอานุนวันหนึ่งเธอระลึกถึงความตายสักกี่ครั้งด้วยกันพระอนุนก็ตอบว่าวันละสี่ห้าครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนตื่นขึ้นมาหลังจากตื่นขึ้นมา เปนต้นพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าอานุ์เธอยังตั้งอยู่ในความประมาทเธอยังพิจารณาความตายไม่พอเพียงต่อการที่จะทําให้เธอได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าเธอต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์จากความกลัวตาย เธอจะต้องระลึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอเข้าไปที่ศาลาก็ได้นะมีศาลาที่อยู่สองชั้นอยู่ข้างหลังมีทั้งชั้นข้างบนทั้งชั้นข้างล่างข้างบนนี้กว้างใหญ่ไพศาลพอที่จะนั่งได้แต่ฝนกงจะตกไม่มากแต่ก็เข้ามาได้บนนี้ก็เข้ามาได้นะ ข้งบนนี้ก็ขึ้นมานั่งได้ถ้าเป็นผู้ชายขึ้นมานั่งข้างบนนี้ก็ได้อดังที่ได้พูดไว้เกี่ยวกับเรื่องของพระอนุนที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตัดถามเรื่องการเจริญมรณานานสติว่าวันวันหนึ่งนี้อนุนเธอได้เจริญระลึกถึงความตายสัก สี่ครั้งด้วยกันพรนนทราบตอบว่าประมาณสักสี่ห้าครั้งพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเธอยังตั้งอยู่ในความประมาทอยู่เธอไม่ยังเธอไม่ทําความเพียรเท่าที่ควรเธอควรจะทําความเพียรระลึกถึงความตายนี้ทุกลมหายใจเข้าออกเลยแล้วเธอก็จะเห็นว่าความตายนี้มัน สั้นนิดเดียวพอหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายแล้วไม่ได้เป็นเรื่องยืดเยือ้อเรื่องยาวเรื่องน่าหวาดกลัวแต่อย่างใดหายใจเข้าไปแล้วไม่หายใจออกมาก็ตายหรือหายใจออกมาแล้วไม่หายใจเข้าไปก็ตายมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแวบเดียวเท่านั้นเองชั่วขณะเดียว ไม่ทันที่เราจะตกใจหรือกลัวได้เลยถ้าเรามีสติเราเล็กรู้อยู่ตลอดเวลาความตายนี้จะเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆเป็นเรื่องของการหายใจเข้าออกนี่เองแต่สำหรับผูท้ที่มีจิตที่ยังอ่อนไว้อยู่เป็นจิตที่ไม่สามารถเจริญมโ น, า น, นสติได้ เช่นเวลาเราลึกถึงความตายแล้วมีความหวาดกลัวหรือมีความหดหู่ใจก็ต้องใช้การเจริญสติแบบอื่นแต่ก็จะทำให้ต้องเสียเวลาหน่อยเพราะว่าต้องทำให้ใจนั้นสงบขึ้นมาก่อนแล้วถึงจะสามารถที่จะมาเจริญ มานานุสติได้อีกครั้งเพราะว่ายังไงนี่ความตายนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องพิจรารณากันทุกรายไปเพียงแต่ว่าจะทำตอนไหนจะทำควบคู่ไปกับการเจริญสติเลยหรือจะต้องแบ่งเป็นสองขั้นตอนขั้นตอนแรกเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบเป็นสมาธิก่อน เมื่อใจสงบเป็นสมาธิมีฐานของความสงบสนับสนุนแล้วเวลาออกจากสมาธิมาก็ให้เจริญมรณานุสติให้พิจารณาความตายถ้ามีความสงบแล้วนี่เวลาพิจารณาความตายจะไม่มีอารมณ์หดหู่จะไม่มีความหวาดกลัวเพราะว่าิเลสตตัณหาที่เป็น ตัวที่ทำให้จิตเกิดความหดหู่ใจเกิดความหวาดกลัวนั้นได้ถูกอำนาจของสมาธิกดเอาไว้จึงไม่สามารถที่จะมาสร้างอารมณ์หดหู่อารมณ์หวาดกลัวให้กับใจได้ใจก็จะสามารถระลึกหรือพิจารณาความตายได้แล้วก็จะเห็นว่า ความตายนี้เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนฝนตกแดดออกนี่เองไม่มีผลกระทบกับใจเลยสิ่งที่ถูกกระทบคือร่างกายซึ่งร่างกายนี้ก็ไม่มีความรู้สึกรับรู้เรื่องของความตายของตนเองร่างกายก็เป็นเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่ง เวลาที่ต้นไม้ถูกตัดล้มลงไปต้นไม้ก็ไม่มีแสดงอาการอะไรต่อการล้มตายของต้นไม้มีแต่ใจเท่านั้นแหละที่เป็นผู้ที่ไปมีปฏิกิริยากับความตายของร่างกายแต่พอใจมีปัญญา มาสอนให้รู้ว่าใครตายใครไม่ตายใจก็จะไม่มีปฏิกิริยาต่อความตายใจก็จะยอมรับสภาพรับรู้ความเป็นจริงของร่างกายของความตายของร่างกายได้เพราะผู้ที่ตายนี้ไม่ใช่เป็นใจนะผู้ที่ตายก็คือร่างกายแต่ผู้ที่ทุก ผู้ที่เดือดร้อนนี้คือใจร่างกายนี้เขาไม่เดือดร้อนกับความตายของเขาเหมือนกับต้นไม้ที่เขาไม่เดือดร้อนเวลาที่เขาถูกตัดล้มลงไปแต่ถ้ามีเจ้าของเจ้าของต้นไม้นั้นก็อาจจะเดือดร้อนขึ้นมาได้ ถ้ามีความรักมีความหวงในต้นไม้ต้นนั้นไม่อยากจะให้ต้นไม้นั้นล้มตายจากไปเวลาที่ใครมาตัดต้นไม้ก็จะทำให้เจ้าของต้นไม้นั้นเกิดความเสียใจเกิดความโกรธไดเ้เช่นเดียวกับร่างกายกับใจใจเป็นเจ้าของต้นไม้ใจเป็นเจ้าของร่างกายแต่เป็นเจ้าของชั่วกราว ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ถาวนเพราะร่างกายนี้ไม่ได้เป็นสมบัติที่ถาวนของใจร่างกายนี้ได้มาแล้วก็จะต้องแก่เจ็บตายไปในที่สุดถ้าใจรู้ความจริงจากการได้พิจารณาแยกแยะใจออกจากร่างกายได้เวลาเกิดอะไรขึ้นมากับร่างกายใจก็จะ วางเฉยได้่อวาวางได้ไม่ทุกข์ไปกับความตายของร่างกายความทุกข์นี้เกิดจากความอยากไม่ให้ร่างกายนี้ตายนั่นเองแต่เมื่อมีปัญญาพิจารณาอยู่เรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไป ล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ถ้ามีปัญญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆจนไม่หลงไม่ลืมพอเวลาเกิดเหตุการ์ขึ้นมาปัญญาก็จะสอนให้ใจอยู่เฉยๆให้ปล่อยวางเพราะว่าถ้าไมมีความอยากไม่ตายอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บ ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือเรื่องของปัญญาและเรื่องของสติที่จะเกิดขึ้นจากการมีความเพียรถ้าไม่มีความเพียรทําเหล่านี้ก็จะอยู่นอกใจอยู่ชั่วขณะที่ได้ยินได้ฟังอย่างตอนนี้พอเราแยกทางกันกลับบ้าน กลับไปสู่ที่อยู่อาศัยของเราหรือกลับไปกระทําอะไรต่างๆถ้าเราไม่มีความเพียรที่จะเจริญเราลึกถึงความตายสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนี้ก็จะหายไปกลายเป็นสัญญากลายเป็นความจำไปพอเราไปประสบกับความตายของเราก็ดีหรือของคนอื่นก็ดี เราก็จะเกิดความตกใจเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาทันทีเพราะว่าเราไม่มีปัญญาอยู่คู่กับใจไว้คอยปกป้องรักษาใจไม่ให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาความหวาดกลัวนี้เกิดจากความหลงความลืมไปกว่าร่างกายนี้จะต้องแกเ่เจ็บตายนั่นเอง พอเกิดความหลงเกิดความลืมก็เกิดความอยากอยากให้ร่างกายนี้ไม่ตายพอไปเจอความตายเข้าก็จะเกิดความหวาดกลัวเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะว่าไม่มีปัญญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆนั่นเองแต่ถ้าเราเอา ความตายนี้ที่เราได้ยินในขณะนี้ไปกับเราด้วยหลังจากที่ออกจากที่นี่ไปแล้วเราก็ยังระลึกถึงความตายอย่างต่อเนื่องใจของเรานี้ก็จะมีปัญญาคอยคุ้มครองคอยรักษาไม่ให้ใจของเราทุกข์วุ่นวายไปกับความตายนี่คือ เรื่องของการมีความเพียรเราต้องพยายามเพียรเจริญสติเพียรเจริญปัญญาให้มากเพียร น, นั่งสมาธิทำใจให้สงบพอถ้าใจสงบแล้วใจจะสามารถปล่อยวางร่างกายได้ถ้าปัญญาสอนหรือชี้ให้เห็นว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้ประกอบขึ้นมาจากาธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟและสักวันหนึ่งก็จะต้องกลับคืนสู่าธาตุเดิมาธาตุที่มีอยู่ในร่างกายทั้งสี่นี้เช่นาธาตุดินาธาตุน้ำาธาตุลมาธาตุไฟนี้สักวันหนึ่งก็จะต้องแตกความสามัคคีกัน ต่ต้องแยกทานกันร่างกายนี้พอไม่หายใจแล้วธาตุดมก็หยุดการเข้าออกแล้วธาตุไฟก็จะหายไปธาตุน้ำก็จะไหลออกมาไหลจนกระทั่งร่างกายนี้แห้งกรอบไปกลายเป็นดินไปนี่คือเรื่องของร่างกายของทุกๆคน เกิดมาแล้วจะต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนไม่มีใครสามารถที่จะห้ามความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้แต่ปัญญานี้จะห้ามไม่ให้ใจทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้เพราะว่าเวลามีปัญญาก็จะทาให้ใจนี้ยอมรับความจริง ยอมรับว่าร่างกายนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจผู้พิจารณาร่างกายนี้ไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นผู้รู้เป็นผู้คิดเท่านั้นใจมาได้ร่างกายมาเป็นสมบัติไว้สำหรับรับใช้ใจตอบสนองความต้องการต่างๆของใจใจต้องการจะดูรูป ฟังเสียงก็ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแต่ถ้าใจมีความสงบแล้วใจก็จะไม่ต้องใช้ร่างกายเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการใช้ร่างกายไปดูรูปหรือไปฟังเสียงต่างๆเมื่อมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จาก ทางร่างกายการใช้ร่างกายก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปเมื่อไม่มีความจำเป็นแล้วร่างกายจะอยู่หรือจะไปก็จะไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าใจยังไม่มีความสงบยังไม่สามารถหาความสุขจากความสงบได้ใจก็จะต้องไปอาศัยร่างกายหาความสุขผ่านทางร่างกาย ถ้ายังต้องอาศัยร่างกายก็จะเกิดความรักเกิดความหวงขึ้นมาเกิดความอยากไม่ให้ร่างกายตายไปจากใจพราะถ้าไม่มีร่างกายแล้วใจก็จะไม่สามารถหาความสุขได้นั่นเองนี่คือเรื่องของการปล่อยวางร่างกายจะปล่อยวางร่างกายได้เราต้องมีสมาธิมีความสงบ มีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ก่อนถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราจะปล่อยวางสิ่งต่างๆเช่นร่างกายนี้ได้อย่างสบายเพราะความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายนี้สู้ความสุขที่ได้ผ่านจากความสงบไม่ได้นี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้อง เพียงพยายามสร้างขึ้นมาให้ได้ก่อนก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่เกิดจากการทำใจให้รวมเป็นสมาธิรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกัคคตารมเป็นอุเบกขาใจจะรวมใจจะสงบได้นี่ต้องอาศัยสติเป็นเครื่องมือสตินี้จะดึงใจ ให้รวมเป็นหนึ่งให้ดึงใจให้เข้าไปข้างในสิ่งที่คอยดันใจให้ออกมาทางร่างกายก็คือตัณหาความอยากต่างๆเช่นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพะ <c oughs> ก็จะดึงใจให้ออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกาย <c oughs> เพื่อที่จะได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพะ แล้วก็ได้รับความสุขชั่วคราวแล้วก็จะต้องเส็บอยู่เรื่อยๆใจก็จะไม่ยอมเข้าไปข้างในจะออกมาอยู่เรื่อยๆจะออกมาหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะอยู่เรื่อยๆถ้าปล่อยให้ออกมาใจก็จะไม่มีวันสงบใจจะสงบได้เมื่อต่อเมื่อใจนี้ถอนออกมาจาก รูปเสียงกลิ่นรสปฎพะถอนออกมาจากตาหูจมกูกลิ้นกายรวมเข้าไปสู่ใจการที่จะให้ใจถอนออกมาจากรูปเสียงกลิ่นรสถอนออกมาจากตาหูจมกูกลิ้นกายได้ก็ต้องใช้สติเป็นเครื่องมือนั่นเองถ้าเราเจริญสติแบบใดแบบหนึ่ง จะเป็นมรณ า, านุสติหรือจะเป็นพุทธานุสติหรือจะเป็นกายกตาสติหรือสติแบบอื่นมีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันที่เรียกว่ากรรมฐานสี่สิบกรรมฐานสี่สิบนี้เป็นเครื่องมือเจริญสติบางแยะบางชนิดก็เป็นเครื่องมือเจริญปัญญาด้วยเช่นมรณ า, านุสติหรืออาสุภา เหล่านี้จะเป็นทั้งสติและเป็นทั้งปัญญาแต่ถ้าจลิตไม่เหมาะกับการเจริญม า, า, านุสสติหรืออสุภะก็จําเป็นที่จะต้องใช้อย่างอื่นเช่นอานาปะนะสติหรือกายกตาสติหรือพุทธานุ ส, สติไปก่อนเพื่อทําใจให้รวมเป็นสมาธิให้ใจสงบ ถ้าใจรวมเป็นสมาธิแล้วมีความสงบได้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ก็จะสามารถที่จะ เ, เลิกการใช้ร่างกายเลิกการใช้สิ่งต่างๆมาเป็นเครื่องมือในการให้ความสุขกับจายได้เพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นเหมือน เป็นความสุขที่เหนือความสุขทั้งปวงนั่นเองถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับสินค้าที่มีคุณค่ามีราคาที่สูงสุดถ้าเราได้สินค้าที่มีราคาที่ดีกว่าสิ่งที่เรามีอยู่เช่นบ้านเรามีบ้านแล้วเราได้บ้านใหม่ที่มีคุณค่ามีราคาที่ดีกว่าบ้านเก่าที่เราอยู่ เขาให้เราเลือกว่าจะเอาบ้านเก่าบ้านใหม่เราก็ต้องเลือกเอาบ้านใหม่กันเพราะมันดีกว่าบ้านเก่าหรือรถยนต์มีคนเสนอเอารถยนต์รุ่นใหม่ออกมาล่าสุดแพงที่สุดกับขอแรกเปลี่ยนกับรถเก่าๆของเรานี่เราจะเอาหรือไม่เอาเราก็ต้องเอากันเพราะมันเป็นของที่ดีกว่าของที่เรามีอยู่ ฉันใดความสุขที่พวกเรามีกันอยู่ในขณะนี้ความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพานี้เป็นความสุขที่สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้อาใจเรารวมเป็นสมาธิแล้วเราจะเห็นความแตกต่างของความสุขสองรูปแบบนี้ทันทีและเราจะรู้ทันทีว่าเราจะเอาความสุขแบบไหน พอได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบเพียงครั้งเดียวแม้แต่เพียงชั่ววูบเดียวชั่วขณะเดียวก็ทําให้เกิดความพึงพอใจเกิดฉันทะเกิดความยินดีที่จะหาความสุขแบบนี้แทนที่จะหาความสุขแบบเดิมถ้ามีฉันทะแล้วก็จะเกิดมีวิริยะมีความอุตสาหะที่จะเพียรพยายามจรอนสติให้ ต่อเนื่องให้มากขึ้นเพราะถ้ามีสติมากเท่าไหร่ก็จะสามารถทําใจให้สงบได้มากขึ้นไปเท่านั้นนั่นเองถ้ามีสติน้อยทําได้เป็นช่วงๆทําได้เป็นพักๆ ก, ก็จะได้ความสงบเป็นช่วงๆเป็นพักๆแต่ถ้ามีความสงบมีสติอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายก็จะสามารถมีความสงบได้อย่างต่อเนื่อง ผู้ปฏิบัติจะเห็นคุณค่าของการเจริญสติหลังจากที่ได้สัมผัสกับความรวมการรวมของจิตจหลังจากที่ได้สัมผัสกับสมาธิหลังจากที่ได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบ ข, ของใจจะอยากจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ไปไม่ว่าจะเป็นบุคคลจะเป็นข้าวของเงินทองอะไรต่างๆ มันสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้รถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงผู้ใดได้สัมผัสรถแห่งธรรมแม้แต่เพียงชั่วขณะเดียวเหมือนกับลิ่มรสของอาหารเพียงหยดเดียวก็จะเกิดความยินดีที่อยากจะลิ่มรสอาหารชนิดนั้นจะไม่อยาก ริมรสจะจะไม่อยากรับประทานอาหารชนิดอื่นอีกต่อไปเพราะรสของอาหารที่ได้ลองริมรสนี้มันดีกว่ารสอาหารทั้งปวงนั่นเองรสแห่งธรรมก็เป็นอย่างนั้นรสแห่งธรรมก็รสของความสงบนี้เองความสงบที่เกิดจากการเจริญสติอยู่เรื่อยๆตอนนี้ถ้าเรายังไม่มีความเพีย ที่จะเจริญสติเราก็ต้องใช้ใช้ความระลึกถึงผลที่เราจะได้รับจากการเจริญสติจากการเจริญความเพียรว่าเราจะได้ผลที่ดีกว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในปัจจุบันถ้าเรารู้ว่าถ้าเราทำไปแล้วเราจะได้รับผลที่ดีกว่าสิ่งที่เรามีอยู่ ก็จะทำให้เรามีกำลังใจที่จะหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆหมั่นเพียงเจริญสติอยู่เรื่อยๆเมื่อมีความเพียรพยายามอยู่เรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วผลก็จะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จย่อมอยู่ที่นั่นอยู่ที่ความเพียร น, นี่เอง ผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรที่จะมองข้ามความเพียรไปควรมีความเพียร น, นี้ฝังอยู่ในใจเสมอพอตื่นขึ้นมาปับ๊บพอได้สติรู้สึกตัวปั๊บขึ้นมาก็บอกว่าต้องทําความเพียรแล้วต้องเจริญสติแล้วถ้ามีอะไรมาเป็นอุปสรรคต่อการเจริญสติต่อการทําความเพียรก็พยายามกําจัดมันไป ถ้าเป็นการงานก็ลดจํานวนงานลงไปถ้ายังมีความจําเป็นที่ต้องทําอยู่ก็ทําเท่าที่จําเป็นอย่าทําไปมากกว่าความจําเป็นความจําเป็นพื้นฐานก็คือปัจจัยสีนี้เท่านั้นคืออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุง่งห่มเป็นสิ่งที่จะเป็นที่จะต้องมีไว้ในการ ดูแลรักษาร่างกายเพื่อจะได้ใช้ร่างกายนี้มาเจริญมาทำความเพียรมาเจริญสติมาเจริญปัญญามาเจริญสมาธิกันแต่อย่าทำมากไปกว่านั้นไม่เป็นประโยชน์อะไรเงินทองที่มากกว่าที่เราจะต้องเอามาใช้ให้กับปัจจัยสีนี้ไม่สามารถที่จะมาทำให้อ่ เราได้ความสงบได้ลดแห่งธรรมที่เหนือกว่าลดทั้งเป่วงได้แต่สิ่งที่จะทำให้เราได้ก็คือเวลาที่เราจะได้เอามาใช้กับการเพียงเจริญสติอย่างต่อเนื่องนั่นเองดังนั้นถ้ามีอะไรเป็นอุปสรรคขวางกั้นในการทำความเพียนเราต้องหาวิธีกาจัดเขาให้ให้หมดไปให้ได้ เหมือนกับเราเดินทางเดินไปตามท้องาตามทางเดินแล้วถ้ามาีมีกิ่งไม้มีต้นไม้ขวางทางหรือมีอะไรขวางทางเราจะทำอย่างไรถ้าเราต้องการที่จะเดินข้ามทางเหล่านี้ไปเราก็ต้อง เ, อเราก็ต้องกาจัดมันออกไปอะไรที่เป็นอุปสรรคขวางกาั้นการทำความเพียร เราต้องพยายามตัดมันไปมันไม่มีคนมีประโยชน์กับจิตใจมันอาจจะมีประโยชน์กับการหาความสุขที่เราเคยหามาแต่ถ้าเรารู้ว่าความสุขที่เราได้จากสิ่งเหล่านี้มันสู้ความสุขที่ได้จากการทำความเพียรเจริญสติทำใจให้สงบไม่ได้เราก็ตัดทิ้งมันไปดีกว่า เช่นเรายังติดอยู่กับการดูละครติดอยู่กับการทำกิจกรรมสังคมอะไรต่างๆเราก็ต้องมาใช้ปัญญาพิจารณาชั่งน้ำหนักดูว่าความสุขที่ได้รับจากการดูละครจากการทำกิจกรรมทางสังคมต่างๆนี้มันสู้ความสุขที่ได้จากการมาทาใจให้สงบได้หรือไม่ และอะไรเป็นความสุขที่ถาวรอะไรเป็นความสุขชั่วคราวถ้าเราใช้การพิจารณาด้วยปัญญาเราก็จะเห็นว่าความสุขต่างๆที่เราเคยหาอยู่นี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ได้ให้ความอิ่มความพอกับเรา เป็นความสุขที่จะทำให้เราต้องเดินไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะเป็นความสุขที่เราต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพอร่างกายอันนี้ตายไปเราก็ต้องหาร่างกายอันใหม่เราก็ต้องไปเกิดใหม่เมื่อไปเกิดแล้วก็ต้องไปเจอกับความแก่ความเจ็บความตายใหม่แต่ถ้าเรามาหาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ เราก็จะได้ความสุขที่ถาวรเพราะเป็นความสุขที่ติดอยู่กับใจจะไม่มีวันเสื่อมถ้าเรารู้จักวิธีสร้างมันขึ้นมาแล้วเราจะรู้จักวิธีรักษาและเราจะสามารถรักษาให้มันอยู่ไปกับใจไปได้ตลอดเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปเมื่อร่างกายนี้ตายไปแล้ว เราก็ไม่ต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่มาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายใหม่เนเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยความเพียรตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ถ้าเราพิจารณาเปรียบเทียบช่างน้ำหนักระหว่างความสุขสองรูปแบบนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าความสุขที่ได้จากความสงบนี้ เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่เราควรที่จะพุ่งเป้าไปถ้ามีอะไรเป็นอุปสรรคต่อการหาความสุขจากความสงบเราก็ต้องตัดมันไปงานสังคมต่างๆภารกิจการงานต่างๆถ้าเราพอมีพอกินแล้วอยู่ไปไม่เดือดร้อน ก็ไปหาเงินทองมาเพิ่มขึ้นหมาอีกทําไมหาไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นหรือจะอ้างว่าหาให้คนนั้นคนนี้หาไปให้เขาทําไมอสู้สอนให้เขามาหาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่ดีกว่าหรอชวนเขามาบําเพ็ญมาปฏิบัติไปกับเราเขาจะได้รับความสุขที่แท้จริง ถ้าเรายัางต้องหาเงินหาทองเพื่อให้เขาอยู่อย่างมีความสุขอยู่แล้วถ้าเกิดเราตายไปหรือเป็นอะไรไปเขาจะมีใครมาหาให้เขาได้เขาก็ต้องหาของเขาเองอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะสามารถที่จะตัดความผูกพันหรือภาระผูกพันต่างๆให้หมดไปได้เพื่อที่เราจะได้มีเวลา มาสร้างความเพียรกันมาเจริญสติกันมานั่งสมาธิทำใจให้สงบเป็นเป็นหนึ่งกันเพื่อจะได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบนีแล้วเมื่อได้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้แล้วก็ใช้ปัญญารักษาต่อไปสิ่งที่จะมาทำลายความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ก็คือความอยากที่ยังไม่ตายไปจาก กำลังของสติและสมาธิสติและสมาธินี้เพียงแต่ยับยั้งความอยากไว้ชั่วคราวแต่เวลาที่ใจออกมาคิดปรุงแต่งความอยากนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาได้เวลาโผล่ขึ้นมาถ้าปล่อยให้มันออกมาแผงนิดมันก็จะมาทาลายความสุขที่ได้จากความสงบ ดังนั้นเวลาเกิดความอยากก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็จะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ความอยากต้องการนั้นมันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเพราะว่ามันเป็นความสุขเดียวเดียวอยากจะไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเวลาไปเสพก็มีความสุขแล้วพอไม่ได้เสพปั๊บมันก็หายไปหมด พอหายไปมันก็ทำให้เกิดความอยากที่จะเสพขึ้นมาใหม่ก็ต้องไปเสพอยู่เรื่อยๆเวลาที่ไม่ได้เสพก็จะเกิดความหงุดหงิดลาคาญใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือปัญญาให้สอนใจให้เห็นว่าอย่าไปทำตามความอยากสู้อยู่เฉยๆสู้กลับมาทำใจให้นิ่งให้สงบหยุดความอยากดีกว่า ถ้ามีทั้งปัญญามีทั้งสติก็จะสามารถฝืนความอยากได้ไม่ทำตามความอยากได้พอไม่ทำตามความอยากความอยากก็จะอ่อนกำลังลงไปแล้วต่อไปความอยากก็จะไม่โผล่ขึ้นมาอีกเวลาไม่มีความอยากใจก็จะนิ่งสงบเย็นสบายไปตลอดนี่คือหน้าที่ของปัญญา คือคอยเตือนใจสอนใจว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขให้กับใจการไม่ทำตามความอยากนี้ต่างหากที่จะทำให้สร้างความสุขให้กับใจถ้าไปทำตามความอยากใจก็จะต้องทุกข์กับสิ่งที่อยากได้พอได้อะไรมาแล้วก็จะเกิดความหวงเกิดความ ่วงใหญ่เก่อความรักเกิดความผูกพันเกิดความอยากไม่ให้สูญเสียสิ่งที่ได้มาแต่ธรรมชาติธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ได้มาด้วยความอยากนี้ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปมีวันพัดนพลาดจากกันไปพอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมา ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้เป็นหน้าที่ของปัญญาที่จะทำให้สามารถทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ส่วนสติหรือสมาธินี้เพียงแต่หยุดไว้ชัว่วคราวเช่นเวลาเจริญมอนานสตินี้ก็จะไม่สามารถไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะไม่สามารถไปคิดถึงสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆได้ พอไม่ไปคิดใจก็จะไม่มีความอยากพอใจสงบหยุดคิดความอยากต่างๆก็จะหยุดไปพร้อมกับความคิดความอยากนี้ใช้ความคิดเป็นเครื่องมือพอไม่มีความคิดความอยากก็หายไปพอไม่มีความอยากใจก็สงบเย็นสบายมีความสุขพอออกจากความสงบมาคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถึงบุคคลนั้นบุคคลนี้ ก็จะเกิดความอยากขึ้นมาแล้วก็จะมาทำให้ความสงบนั้นหายไปนี่คือเรื่องของอสิ่งที่จะทำให้ใจสงบกับสิ่งที่จะทำให้ใจไม่สงบสิ่งที่จะทำให้ใจสงบมีความสุขก็คือสติและปัญญาหรือปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีสติก็สงบได้ชั่วคราว ถ้ามีปัญญาก็จะสงบได้อย่างถาวรในเบื้องต้นเราต้องใช้สติเป็นเครื่องกำกับควบคุมใจให้สงบก่อนเพราะปัญญานี้อาจจะไม่มีใจยังไม่มีความสงบพอที่จะใช้ปัญญาได้เช่นมานานุสติพอระลึกถึงความตายแทนที่จะสงบใจกับเกิดอาการหดหู่ เกิดอาการท้อแท้เบื่อหน่ายหรือหวาดกลัวขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะเจริญปัญญาได้ต้องรอทําใจให้สงบก่อนด้วยการเจริญสติแบบอื่นเช่นพุทธานุสติหรือกายกตตาสติดูการเคลื่อนไหวเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้น แล้วเวลานั่งสมาธิก็ดูที่ลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปใจถ่าอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่ช้าก็เร็วใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้นะพอมีความสงบแล้วทีนี้อารมณ์หดหูต่ต่างๆที่เกิดจากการพิจารณาความจริงเช่นความตายก็จะถูกความสงบนี้กดเอาไว้ เวลาออกจากสมาธิมาใหม่ๆความสงบนี้ยังมีอยู่เต็มที่ก็ใช้เวลานั้นพิจารณาความตายได้อย่างสบายจะไม่มีความรู้สึกขดหู่แต่อย่างใดแล้วก็จะได้จดจําได้ว่าร่างกายนี้จะต้องตายไม่มีใครที่จะมายับยั้งความตายของร่างกายได้ความอยากไม่ตายนี้จะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาโดยใช่เหตุเมื่อเห็น ความเป็นจริงแล้วพอต้องเจอความตายก็จะยอมตายดีกว่ายอมทุกข์เลยความทุกข์นี้เป็นอันตรายต่อจิตใจแต่ความตายนี้ไม่เป็นอันตรายต่อจิตใจความตายนี้เป็นภัยต่อร่างกายแต่ร่างกายเขาไม่เดือดร้อนเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือเขาตายนั่นเองดังนั้นพอมีปัญญาแล้วก็จะสามารถ ห้ามใจไม่ให้ไปอยากไม่ตายได้พอห้ามไม่ไม่ให้ใจอยากไม่ตายไม่อยากไม่ตายได้ก็จะไม่ทุกข์กับความตายจะตายได้อย่างสบายนี่คือการปฏิบัติธรรมเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายต้องหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยความภาคเพียร ต้องมีความเพียรตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนพระให้บำเพ็ญตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยตื่นขึ้นมาตีสองตีสามก็ให้เดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญาแล้วแต่ว่าอยู่ในธรรมขั้นไหนพอถึงเวลาไปทำภารกิจต่างๆก็ให้มีสติควบคุมใจให้อยู่กับภารกิจการงานที่กำลังทำอยู่ กำลังบินทาบาดกําลังขบฉันอาหารกําลังล้างบาดเช็ดบาดกําลังทําอะไรก็ให้จารันสติอยู่กับงานที่กําลังทําอยู่พอเสร็จภารกิจกลับมาถึงที่พักก็ให้เดินจงกรมนั่งสมาธิต่อไปสลับกันไปถ้าเหนื่อยถ้ามีความาเพลียมีความเพลียอ่อนเพลียก็อาจจะนอนพักสักชั่วโมงในช่วงกลางวันก็ได้ พอตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิไปจนถึงเวลาทําหน้าที่ปัดกวาดปัดกวาดลานวัดดื่มน้ำปานะสงน้าําซักผ้าเสร็จแล้วก็เข้าทางเดินจงกรมนั่งสมาธิไปจนถึงระยะเวลาสี่ห้าทุ่มก็จะพักผ่อนหลับนอนประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงพอตื่นขึ้นมาตีสองตีสามก็ บำเพ็ญต่อนี่คือลักษณะของการมีความเพียรมีความพยายามในการที่จะผลักดันจิตใจให้สร้างธรรมต่างๆขึ้นมาโดยเฉพาะสติสมาธิและปัญญาธรรมถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาธรรมแล้วการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะเป็นผลปรากฏตามมาอย่างแน่นอน เพราะเป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าและพระอาลหลนตัสสาวกทั้งหลายได้บําเพ็ญมาแล้วได้รับผลมาแล้วแล้วนาเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเรามีศรัทธามีความเชื่อแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติรับรองได้ว่าผลที่พระพุทธเจ้าและพระอาลหลนตสาวกทั้งหลายได้รับ ก็จะเป็นผลที่เราได้รับเช่นเดียวกันตอนนี้ผลเหล่านี้ไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเราไม่มีความเพียรเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายท่านมีกันเรามีความเพียรแต่เพียรไปผิดทิศผิดทางแทนที่จะเพียรไปในการสร้างธรรมคือสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาเรากลับไปเพียรสร้างลาบยศสรรเสริญ ไปสร้างความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแทนที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์เรากลับต้องติดอยู่กับกองทุกข์ต่อไปกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะความเพียรในการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จําเป็นจะต้อง มีร่างกายเป็นเครื่องมือนั่นเองตอต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเวลาร่างกายที่มีอยู่ในขณะนี้ตายไปความอยากที่จะหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกนิ้งกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายยังอยู่คู่กับใจอยู่ความอยากนี้ก็จะเป็นตัวดึงใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่ ไปเกิดแก่เจ็บตายใหม่อีกรอบหนึ่งและอีกหลายๆายรอบจนกว่าที่เราจะหันความเพียรของเราจากการไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสความสุขทางลาบยศสรรเสริญให้มาหาความสุขจากความสงบของใจด้วยการเจริญสติสมาธิและปัญญาถ้าเราได้หันเหทิศทางของความเพียรของเรา จากการไปหาความสุขทางลาบยศสัตเสรินทางตาหูจมูกนิ้งกายมาสู่การหาความสุขจากการเจริญสติสมาธิปัญญาเพื่อทำให้จิตสงบและเพื่อที่จะได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบเราก็จะหลุดพ้นจากออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะว่าเราจะไม่ต้องพึ่งร่างกายอีกต่อไป เรามีธรรมเป็นที่พึ่งธรรมนี่แหละที่จะทําให้ใจของเรามีความสุขทําให้เราไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาลาบยศสรรเสริญในการหาความสุขทางตาหูจมูกเดินกายเมื่อเราไม่ใช้ร่างกายแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปเราก็จะหลุดพ้นจากกองทุกขได้อย่างถ้าวอนนี่คือ ที่มาของคำสอนที่พระเจ้าทรงตัดไว้ว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพี่ยนดังนั้นขอให้พวกท่านทั้งหลายจงตั้งเป้าหมายไว้อยู่ที่ความเพียนพยายามสอนพยายามเตือนตัวเองว่าต่อไปนี้เราจะต้องทำความเพียนนับตั้งแต่ที่เราเติ่งขึ้นมาเลยเราสามารถสร้างความเพี่ยนจเจริญทำความเพียนกันได้ด้วยการจเจริญสติอย่าง ต่อเนื่องเราลึกถึงพุโทโธก็ได้เราเลึกถึงความตายก็ได้หรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ถ้าเรามีการกระทําเหล่านี้ถือว่าเราได้มีการกระทําความเพียรแล้วแล้วถ้าเราทําไปอย่างต่อเนื่องผลก็จะปรากฏให้เราเห็นความสงบก็จะปรากฏขึ้นมาเมื่อเห็นความสงบเห็นประโยชน์เห็นความสุขที่ได้จากความสงบก็อยากจะรักษาไว้ ก็จะใช้ปัญญาพิจารณาทำลายสิ่งที่จะมาคอยทำลายความสงบที่ที่ได้มาพอมีปัญญาปัญญาก็จะสามารถทำลายตัญหาความอยากต่างๆที่เป็นตัวที่จะมาคอยทำลายความสงบทำลายความสุขที่ได้จากความสงบ พ, พอตัญหาถูกปัญญาทำลายไปหมดแล้ว ก็จะไม่มีอะไรมาทําลายความสุขที่ได้จากความสงบความสุขที่ได้จากความสงบนี้ก็จะเป็นบร ม, มสุขไปเป็นปรมังสุขขังไปใจก็เป็นนิพพานไปใจก็หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปนี่คือเป้าหมายของชีวิตของพวกเราเป้าหมายของความเพียรเพียรจริญธรรมเช่นสติสมาธิและปัญญา เพื่อวิมุติการหลุดพ้นจึงขอฝากเรื่องของความเพียรพยายามนี้ให้ท่านจงนำมาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตางตุมหังกิปัเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณิโชติ อระโสยทาสสะพิติโยวิวัชฉันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีทีคาโยโผวะอภิวาทนศีลสานิจังวุฒาปจายิโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขัง าาเอาต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีความสงสัยอยากจะทราบเรื่องธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติก็ขอเชิญถามได้ในตอนนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตไม่ตอบ ปัญหาต่อไปใครมีคําถามอยากจะถามยกมือขึ้นจะส่งไมโครโฟนไปให้ได้พูดเพื่อผู้ฟังจะได้ยินทั้งคําถามและคําตอบถ้ายังไม่มีก็จะให้พิธีกรตอบคําถามที่ผ่านมาถามมาจากทางบ้านคําถามจากทางบ้านจากคุณสมพิศ ขณะทานข้าวจะ บ, บริกรรมไปด้วยสลับกับคิดเรื่องเพื่อนเปลี่ยนศาสนาพ่อคิดว่าช่างเขาเรื่องของเขาก็ได้ยินแต่คำบริกรรมค่ะวันก่อนคุยกับเพื่อนแล้วก็ทุกไปกับเขานึกได้ว่าให้คิดเป็นไตรลักษณ์ก็หายค่ะแบบนี้ถูกต้องไหมคะแล้วต้องทำอย่างไรต่อไปคะถูกต้องแล้วควรพยายามให้เกาะติดอยู่กับคาบริกรรมไปเรื่อย เวลามีความคิดเข้ามาแทรกก็อย่าไปสนใจให้เกาะติดอยู่คำบริกรรมหรือว่าถ้ามันใช้ปัญญาใช้ไตลักษ์ได้ก็ใช้ได้คิดว่าเป็นไตลักษ์เป็นอนิจจังเป็นอดีตมันผ่านไปแล้วเราไปทำอะไรมันไม่ได้คิดไปก็ป่วยการเปล่ า, ลาก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาเจริญคำบริกรรมต่อไปพยายามทำคำบริกรรมให้มัน ไปเรื่อยๆจนมันฝังอยู่ในใจเป็นนิสัยต้องการจะบริกรรมเมื่อไหร่ก็จะบริกรรมได้เพราะคำบริกรรมนี้จะเป็นเหมือนกับยาสามัญประจำบ้านที่สามารถแก้ไขปัญหาความทุกข์เฉพาะหน้าได้เวลาเกิดความทุกข์จากเรื่องอะไรถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวความทุกข์นั้นก็จะหายไป เพราะเราไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราทุกข์นั่นเอง mm. เช่นเราไปอยู่ในที่เปรียวแล้วกลัวผีขึ้นมาเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าใจเราไม่ไปคิดถึงเรื่องผีแล้วความกลัวผีก็จะหายไปถ้าเราไม่หัดบริกรรมไว้ก่อนพอถึงเวลาจะบริกรรมมันบริกรรมไม่ออกมันจะคิดอยู่กับเรื่องผีอย่างเดียว ฉันต้องพยายามฝึกบริกรรมไปเรื่อยๆทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับยกเว้นเวลาที่เราต้องใช้ความคิดในการทํางานทําการหรือคิดในเรื่องที่จําเป็นเช่นคิดทางด้านปัญญาเราก็หยุดบริกรรมได้แต่ถ้าเราไม่ได้คิดหรือว่าคิดไปในทางที่เป็นกิเลสตัณหาก็ควรที่จะใช้คําบริกรรมมายับยัง้ง อย่าปล่อยให้ใจคิดไปในทางความโลภความโกรธความหลงเพราะจะทำให้เกิดความฟุง้งซ่านเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาถ้ามีคำบริกรรมอยู่อย่างต่อเนื่องใจจะว่างใเย็นจะสบายเวลานั่งสมาธิใจก็จะรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิได้ดังนั้นพยายามทำไปจนกระทั่งมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเลยคือคำบริกรรม ที่เราสามารถจะใช้ได้ทุกเวลานาทีที่เราต้องการเวลาที่เราไม่ต้องการใช้เราก็หยุดได้เช่นถ้าใจเราสงบใจแล้วไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เราก็ไม่ต้องบริกรรมก็ได้ใจให้เราอยู่ว่างๆเฉยๆอย่าไปแกว่งเท้าหาเสี้ยนความคิดของเรานี่เป็นเหมือนการการแกว่งเท้า พอไปคิดถึงคนนั้นขึ้นมาเดี๋ยวก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาคิดถึงสิ่งนั้นเดี๋ยวก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าการแกว่งเท้าหาเสี้ยนใจของเราใช้ความคิดเป็นการแกว่งตัวเองไปหาความทุกข์ถ้าเราหยุดความความคิดได้ความทุกข์ก็จะไม่เกิดถึงแม้มันจะมีอยู่ข้างนอกมันจะไม่เข้ามาภายในใจเรามันจะเกิดได้ก็แค่ที่ร่างกายเท่านั้นมันจะหยุดที่ร่างกาย แต่มันไม่สามารถทะลุทะลวงเข้ามาในใจได้ตัวที่ทําให้ความทุกข์ทะลุทะลวงเข้ามาในใจก็คือความคิดของเรานี้เองไปดึงความทุกข์เข้ามาเองไปเชิญความทุกข์เขาเข้ามาเองถ้าหยุดความคิดปับ๊บมันก็เหมือนกับปิดประตูพอปิดประตูความทุกข์มันก็เข้ามาไม่ได้ฉะนั้นพยายามบริกรรมไปเรื่อยๆใจกระทั่งมันเป็นนิสัยไปเลยมันเหมือนกับการหายใจลมหายใจเลย เวลาต้องการบริกา ร, รมเมื่อไหร่ก็สามารถใช้ได้ทันทีทันใดอันนี้จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ในเบื้องต้นของการปฏิบัติแล้วต่อไปเราก็จะสามารถไปขั้นปัญญาได้ต่อไปคำถามจากคุณชายโมโนโทนถ้าบริษัทสี่ไม่เข้าใจทำยึดตามบุคคลพอมีผู้นำที่ชี้ทางผิด จะรักษาพระธรรมพระวินัยอย่างไรดีครับก็อย่าไปยึดบุคคลให้ยึดหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่รู้หลักธรรมก็ต้องศึกษาต้องอ่านหนังสือธรรมะต้องฟังเทศฟังธรรมของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ศ, ศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาพระสูตรต่างๆของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นศาสดาของพวกเราที่แท้จริง คนที่มาเกิดมาตายมาสั่งมาสอนนี้เขาก็มาแล้วก็ไปกันไปมีทั้งของจริงและมีทั้งของปลอมถ้าไปเจอของจริงก็โชคดีไปถ้าไปเจอของปลอมก็โชคร้ายไปงั้นอย่าไปเสี่ยงดีกว่าาของแท้ของจริงก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าดีกว่าแล้วค่อยไปหาคำสอนของกูบาจารย์เป็นเป็นเป็นเครื่องเสริมอีกทีหนึ่ง มาช่วยอธิบายขยายความคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เห็นให้เราให้เห็นเข้าใ จ, าใจอย่างแจ่มแจ้งขึ้นมาเพราะผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่ได้รับผลแล้วนี้จะสามารถแจกแจงขยายความหมายของคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เห็นได้อย่างชัดเจนบางทีอ่านคำสอนนี่ยังจะไม่ค่อยเข้าใจเนื่องจากหนึ่งเป็นภาษา ส อ, สอนแบบกลางๆไม่ได้ทะลุทะลวงก็ไปสู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งบางทีต้องมีผู้เอาคำสอนนี้มามาใช้ในกับเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็จะทำให้เราเข้า อ, อกเข้าใจขึ้นดีดีขึ้นและสามารถนําำเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลกับเราได้ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัตินีปฏิบัติชอบนี้สำคัญมากแต่ยากเหมือนเพชรที่จะหาได้ ครบาอาจารย์ที่สอนแบบไม่ไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่มีเยอะเหมือนก้อนอิดก้อนกรวดก้อนทรายก็ต้องระมัดระวังอย่าอย่าไปเจออาจารย์ที่สอนผิดทางเพราะว่าจะทำให้เราหลงทางได้นั่นเองแต่ถ้าเรามีคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกเป็นหลักเช่นพระสูตรหลักหลักสามสี่พระสูตรนี่ก็พอเพียงที่จะทำให้เรารู้ว่า ครูบาจารย์ที่สอนเหล่านั้นท่านสอนในแนวแนวทางเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือไม่ถ้าไม่ตรงกันก็ถอยดีกว่าคำถามจากคุณพแพรทิฟพี่สาวเสียชีวิตไปสามถึงสี่เดือนแล้วพยายามที่จะทำใจแต่ก็ยังทำใจไม่ได้เลยค่ะมีความทุกข์เพราะคิดถึงเขามาก ขอหลวงพ่อสอนเพื่อนำมาให้เกิดสติปัญญาในการปล่อยวางให้ได้ค่ะก็อย่างที่สอนเบื้องต้นก็หยุดคิดอย่าไปคิดถึงเขาใช้คำบริกรรมดึงใจเราออกมาจากความคิดถึงเขาถ้าเราบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเราก็จะคิดถึงเขาไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องพยายามบริกรรมไปทุกเวลาเวลาที่เขาจะเวลาใจจะไปคิดถึงเขาก็ต้องรีบดึงคำบริกรรมออกมา บริกรรมไปจนกระทั่งเขาหยุดคิดหรือลืมคิดถึงเขาแล้วก็หยุดบริกรรมได้แล้วพอเขาจะกลับไปคิดอีกแล้วก็บริกรรมใหม่เป็นเหมือนรถยนต์รถยนต์ที่มันไหลไปตามทางลาดชันเราก็ต้องคอยเหยียบเบรกไว้พอเหยียบเบรกรถมันหยุดไหลล้วก็ถอนเบรกได้พอรถมันจะไหลใหม่เราก็เหยียบเบรกใหม่ใจเราก็เป็นเหมือนรถที่ไหลไปตาม เรื่องราวต่างๆชอบไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดแล้วก็นอนไม่หลับกินไม่ได้ก็พราะเกิดอารมณ์อะไรต่างๆขึ้นมาก็หยุดความคิดนั้นเท่านั้นเองเครื่องมือที่จะหยุดความคิดก็คือคำบริกรรมนี้บริกรรมไปพุทโธพุทโธไปถ้าไม่ชอบเปลี่ยนคำบริกรรมอย่างอื่นก็ได้ใช้พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้พุ ท, ทังสานังกฉามิธร ม, มังสานังกฉามิก็ได้ ขอให้ใจมีอะไรทําอยาเพื่อจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเท่านั้นเองเพอเราใจได้อยู่กับเรื่องอื่นไปสักพักมันก็จะลืมเรื่องนั้นความทุกข์ใจก็จะหายไปฉะนั้นพยายามหัดบริกรรมไว้อย่างที่เมื่อกี้ได้พูดต่อไปในคําถามที่ผ่านมาว่าคําบริกรรมนี้เป็นเหมือนยาสามัญประจําบ้านรักษาได้ทุกโรคะปวดท้องปวดหัวอปวดแข้งปวดขานยาหมองนิทาได้หมด คำถามจากผู้ฝากถามข้อแรกถ้าเรารับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนต่างๆจากนายจ้างหรือบริษัทที่ได้รายได้ที่มาใจเราจากอบยมุกการกระทำผิดศีลไม่ดีต่างๆเมื่อเรารับเงินดังกล่าวโดยที่เราไม่ได้รู้เห็นการกระทำดังกล่าวด้วยเราจะบาปหรือไม่ครับและมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไร อ๋เรื่องเงินของคนอื่นเขาหามาโดยวิธีใดไม่ใช่เรื่องของเราคนที่หามาจะต้องเป็นผู้รับผลของการหาของเขาถ้าเขาหามาโดยม่ชอบผิดศีลผิดธรรมเขาก็จะต้องรับวิบากของเขาไปถ้าทำผิดกฎหมายก็อาจจะต้องถูกเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองจับไปลงโทษต่อไปแต่เงินทองที่เขาเอามาใช้จับจ่ายซื้อข้าวซื้อของจ่ายเงินเดือนให้คนงานนี้ไม่มีผลแต่อย่างใดกับบุคคลที่สาม ดังนั้นไม่ต้องไปกังวล น, นอกจากถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นโจรเราก็อย่าไปทํางานกับเขาก็แล้วกันข้อสองถ้าเราต้องการทําจิตเป็นสมาธิโดยอยู่กับปัจจุบันขณะแต่ว่าเราต้องดําเนินชีวิตต่อไปต้องวางแผนอนาคตต่างๆทําอย่างไรเราถึงจะทําจิตใจให้เป็นสมาธิกรณีต้องคิดเรื่องต่างๆอีกด้วยครับ ก็เราไม่ได้คิดทั้งวันไม่ใช่เลยเราก็คิดเป็นเวลาของมันเมื่อถึงเวลาจะต้องวางแผนการว่าวันนี้จะมีงานอะไรจะต้องทำอะไรก็คิดไปพอรู้แล้วว่าต้องทำอะไรเตรียมการไว้แล้วเราก็หยุดคิดมันไปแล้วก็กลับมาดึงใจให้ว่างให้สงบไม่ให้ลอยไปกับเหตุการณ์ต่างๆแต่มันจะไม่ดีเท่ากับการที่ไม่มีภารกิจการงานต้องคิดอะไรเลย อพอถ้ามันมีแล้วความผูกพันความเผลอสติมันจะคอยดึงให้เราไปคิดอยู่เรื่อยๆเพราะความกังวลบ้างความวิตกบ้างกลัวจะลืมบ้างกลัวจะไม่ได้ทำให้มันดีให้มันสาเร็จบ้างมันก็จะทำให้ไปคิดไปผูกพันอยู่กับความคิดเหล่านั้นถ้าไม่มีการงานที่ต้องคิดเรื่องราวเหล่านี้มันก็ไม่มีอะไรจะดึงไปผู้ปฏิบัติจริงๆยังมักจะเป็นนักบวชกันหรือเป็นผู้ที่ตกงานกัน เพือผู้ที่ไม่มีภารกิจการงานต้องทําข้อสพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ยังมีพลังงานหรือมีจิตวิญญาณที่สามารถถ่ายทอดหรือช่วยเหลือเราได้หรือไม่ครับก็สิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนี่แหละเป็นพลังงานเป็นผลงานของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ แต่เรื่องของพลังจิตยอย่างที่เราคิดกันเช่นสามารถปลุกเสกให้เราเป็นนูน่นเป็นนี่ขึ้นมาได้นี้มันไม่มีหรอกอือย่าไปคิดว่าพระพุทธเจ้าถึงแม้จะวิเศษขนาดไหนท่านก็ไม่สามารถอผลิตนิพพานให้กับเราได้ <c oughs> <c oughs> ปลุกเสกให้เราเป็นพาาระอรหันขึ้นมาได้ <c oughs> อันนี้มันเหนือวิสยัยมันเหนือเหนือ <c oughs> เหนือกฎของหลักเหตุผละหลักเหตุผลอยู่ที่ว่าผู้ใด มีเหตุผู้นั้นก็จะได้รับผลผู้ใดไม่มีเหตุผู้นั้นก็จะไม่ได้รับผลแต่หน้าที่ของพระเจ้ากับของพระสาวกก็เพียงแต่สอนให้เรารู้จักเหตุเพื่อให้เราสร้างเหตุของเราขึ้นมาเองเมื่อเราสร้างเหตุได้เราก็จะได้รับผลได้นี่คืองานที่พระเจ้าได้ทรงกระทมตลอดระยะเวลาหลังจากที่ได้ทรงตัดสะลุไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตก็คือสอนเหตุ สอนให้พวกเราสร้างเหตุขึ้นมากันเมื่อมีเหตุแล้วผลก็จะตามมาต่อไปขอสี่ขอหลักในการดำเนินชีวิตไม่ให้นึกถึงอดีตและกังวลอนาคตครับก็ต้องใช้คำาบิกรรมหรือสติแบบใดแบบหนึ่งดึงใจเอาไว้ใจนี่ก็เป็นเหมือนเรือถ้าเรือเราทอดสมอไว้มันก็จะไม่ไหลไปตามกระแสน้ำ ไม่ว่าจะน้ำขึ้นหรือน้ำลงมันก็จะไม่ไหลขึ้นไหลลงฉั้นใดนะใจของเราก็มีกระแสของความคิดความคิดนี้มันก็จะไหลมาเรื่อยๆถ้าเราไม่มีอะไรผูกใจไว้มันก็จะไหลไปตามกระแสความคิดคิดแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาถ้าเรามีคมบริก ร, รมมีสติเป็นเครื่องผูกใจไว้ใจก็จะไม่ไหลไปตามกระแสของความคิด ความคิดก็จะไม่มีอิทธิพลที่จะทําให้ใจเราเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเกิดความว้าวุ่นขุ่นงัวขึ้นมาได้ใจของเราก็จะตั้งอยู่ในปัจจุบันได้ตลอดเวลาไม่ไหลไปตามกระแสของความคิดในอดีตบ้างความคิดในอนาคตบ้างถ้ามีสติสตินี้ก็มีหลายหลายแบบด้วยกันคำบริกรรมต่างๆก็เป็นแบบหนึ่ง การเพ่งอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นร่างกายการเคลื่อนไหวาการทำงานของร่างกายแล้วเพ่งอยู่กับการงานการเคลื่อนไหวของร่างกายใจก็จะไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตไม่ได้ฉะนั้นต้องมีสติถ้ามีสติแล้วใจจะตั้งมัน่นใจจะเป็นสมาธิเป็นปัจจุบันใจจะสงบฉั้นสติเป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่ง แต่สติจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีความเพียรเพียรเจริญสติสติไม่ได้เกิดขึ้นมาเองไม่เหมือนฝนฝนเมื่อกี้นี้มันตกมาเองได้แต่สติวันดีคืนดีมันไม่โผล่ขึ้นมาให้เรามันจะโผล่ขึ้นมาให้เราต่อเมื่อเรามีความเพียรพยายามที่จะเจริญสติจึงต้องคอยตั้งใจบอกตือนใจว่าตื่นขึ้นมานี่เราต้องตั้งสติก่อนเลย สตินี่เราสามารถตั้งได้ไม่ต้องไปอยู่ที่วัดอยู่ที่ไหนก็ตั้งได้เป็นอย่างว่าตั้งได้นานตั้งได้น้อยตั้งได้มากนี่มันอยู่ที่สถานที่ถ้าอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกไม่มีเรื่องมีราวนี่จะตั้งสติได้ได้มากได้นานแต่ถ้าต้องไปอยู่ในเหตุการ์ต่างๆเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆนี่มันจะล้มละเลรนนาดได้ง่ายเดี๋ยวมันก็ถูกเหตุการ์ต่างๆฉุดลากไป ดังนั้นผู้ที่อยากจะได้สติมากๆได้สตินานๆจะต้องไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวถึงจะได้แต่ถ้ายังไปไม่ได้ก็เอาเท่าที่ได้ก่อนตื่นขึ้นมาก็ยังอยู่คนเดียวอยู่อยในห้องอยู่ห้องนอนนี่ก็ไม่ได้ยุ่งกับใครตื่นขึ้นมาแล้วก็ตั้งสติของเราได้เข้าไปในห้องน้ําก็ไม่ได้ยุ่งกับใครล้วก็ตั้งสติได้อยังพอมีเวลาที่จะมีเวลาตั้งสติได้บ้าง แต่พอออกมาพบปะคนนั่นคนนี้แล้วไปแล้วเดี๋ยวหายไปหมดแล้วพุทธงพุทธโธอะไรนี้หายไปหมดแล้วเดี๋ยวเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เข้ามากว่าจะได้กลับมาตั้งสติที่ก็ต้องตอนที่เข้าไปในห้องน้ำายู่แล้วเห็ต้องเข้าบ่อยๆนะนี่คือความจริงที่พวกเราจะต้องยอมรับและต้องพยายามทาให้ได้ คือต้องขบเพียรพยายามสร้างสติด้วยการหาที่ที่สงบสงัดทิเวด้วยการตัดภารกิจความผูกพันต่างๆให้มันน้อยลงไปจนกระทั่งไม่มีเลยถ้าไม่มีแล้วมันก็จะง่ายต่อการสร้างสติง่ายต่อการเจริญสมาธิง่ายต่อการเจริญปัญญาง่ายต่อการหลุดพ้นแตบางคนหลุดพ้นได้ภายในเจ็ดวันบางคนก็เจ็ดเดือน บางคนก็เจ็ดปีเนี่ยเพราะความผูกพันมีมากน้อยไม่เท่ากันถ้าผูกพันมากก็ช้าหน่อยถ้าผูกพันน้อยก็เร็วหน่อยอยู่ที่ความผูกพันอยู่ที่ใจเราไปยุ่งกับอะไรมากหรือน้อยถ้ายุ่งมากก็ช้าถ้ายุ่งน้อยก็เร็วดังนั้นขอให้พยายามเพียรพยายามตัดภาระความผูกพันกับเรื่องราวต่างๆ เอาเท่าที่มันจำเป็นจริงๆเท่านั้นถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปสนใจสิ่งต่างๆในโลกนี้ทำไปมากน้อยเท่าไหร่มันไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจเราเหมือนกับการเจริญสติเหมือนกับการเจริญปัญญาฉะนังนต้องพุ่งเป้าไปที่การเจริญสติสมาธิและปัญญานี้เท่านั้นแล้วเราจะได้รับสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับกันก็ ค, คิดว่าไม่มีคาถามแล้วใช่ไหม